พนจากสงสัยไม่ต้องรูปคำมันเลยไม่ต้องสงสัยแน้วนั่นแหละถ้ายังไปรูปคำเนี่ยโอ้เราจะนั่งเพื่อสมาธิให้เทวดามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะสักเเคกาเมจะรู้เปกิเตคารตเตจจนติเคบิมาเน่เพื่อจะเปล่าเทวดาทางใดนี่เป็นจรปติธระมิเท่นั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดียวครับแต่พระสุสานท่านยังมี จริงๆไม่รู้มีมีครับถ้าไม่รู้เรื่องบางสิ่งปัญญามันไม่มีขอสงสัยไหมพระโสดาบันได้กี่อันรอดไปสามกิจการกับะกิญเษนตพัฒนปานไม่ได้สงสัยคือหมายความว่าไอ้ความสงสัยนี่นะมันตามขั้นตอนที่เดดของโสดาบันเป็นส่วนหนึ่ง สศรษฐกิจสาขเป็นมันเป็นส่วนจริงที่ละเอียดแต่ละเอียดเป็นเป็นชั้นขึ้นไปเป็นส่วนของบุคคลไอ้ความหนักของเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งไอ้ความหนักของผู้ใหญ่มันก็เป็นอย่างหนึ่งในระยะที่นี่ขึ้นไปถึงป้าหลานนี่มันมีครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีชื่อเดียวกันแต่มันมันหนักเบากว่ากันแต่ว่ามันจะหมดไปครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มันจะหมดไปมันไม่อยู่มันมัน ถึงเนี่ยมันมีอยู่บ้างก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรไม่ทำก็ไม่มันเกิดผิดเกิดภัยการรูปคร่มมาสงสัยจะถูกไห้น้องผิดไม่น้องอย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเรา่ยาไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้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 มีกี่คิดช้าความลังเลที่แต่ะตาปรมาสสักกายิสี่นี่มันก็รูปคลมเหมือนกันมีกี่คิดช้ามีอยู่ก็รูปคลมเหมือนกันที่ตาปราชรมา น, นี่มันก็เป็นเครื่องรูปคลมเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธินานๆ หรือแสดงอาบัตนี่อาบัตตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือนานๆอยู่ปริวาททีหนึ่งใจแล้วก็สบายบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเป็นที่ระพรัตรมา ท, ทั้งนั้นนานๆอยู่ปริวาททีหนึ่งจ้งใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาทท่านอยู่ทําไมท่านเป็นหนึ่งผมไม่รู้จัก อยู่ทําไมบางทีบางทีอยู่มานานๆบางทีมันกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างงี้แต่มาอยู่แล้วใจ ม, มันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกว่าลูกครัมใจยังรูกครัมมันรูกครัมชินว่าเราแสดงอวบัติส่งใจอวบัติ แสดงว่ามันรูปธรรถ้าความเป็นจริงแล้วนะ่ะถ้าไม่มีใครนะไม่จําเป็นเจ้าอย่าไปพูดในคนนะเจ้าอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดในคนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปธรรเมื่อแสดงอวบัติที่นีว่ามันรูปคําอยู่ก็แสดงอวบัติอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปธรรมนะ่ะอันี้พูดถึงเรื่องถึงเรื่องจิตใจของเรา แรกก็ไมา่มีตกไปด้วยไม่มีวันมีตกไปด้วยถ้ามันไม่รูปคลัมก็คือมันไม่รูปคลัมคล้ายๆก็เรียกว่ารูปคลัมก็คล้ายๆพูดถึงเรื่องจิตของเราออย่างปาาสนุนะเดินไปจนนั่นไอ้ไอขายมีไปถูกกระเตียมข้าวเลยๆนี่รูปคลัมใช่ไหม นี่พูดกัน ง, าง่ายๆยังรูปคำอยู่คือมันจะอยู่เฉยๆก็ม่อยู่เพราะมันเก็บอยู่ข้างๆนั้นมารูปคำโอ้โหรูปคำนี่นี่พูดเห็นง่ายๆการรูปคำมันมีสิ่งที่รูปคำอยู่อย่างนี้ครับไม่เหมือนกระสุเมโวไม่เหมือนกระจากระโลไม่ได้ที่เป็นไม่ได uh ้ไปโดนเตียงเฉยไม่ต้องรูปคำไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมีอุบายบอกให้รู้จักทํำไมต้งรูปคำเพราะว่ามันสงสัยมันเก็บเนี่ยก็รูปคำนี่รูปคำ อย่างนี้เลยครับอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราเราทําอย่างนี้เราทํ า, าทอย่างนี้เป็นไหมเชียนว่าเจตนาหันเป็นผหดอย่างที่ว่ายุงมากัดเราเนี่ยนะพอดีแล้วอกมันมั น, ม, นมันกัดยุงป่ะ อ, อ้าวเลือดเต็มมือเลยตายเลยยุง่ะพอเห็นจริงแล้วูไม่ต้องดุกคำเป็นอาบัติไหมเนาะ เราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่นาทนบอกให้มีสติให้ดีเนี่ยท่านประมาทหรือเลยวุ่นอยู่นั่นเนี่ยเยรูปคำเนี่ยเลยเนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นวันวังคันปุ๊บก็โอ้ยยุงตายเลยช่างมันสิไปถึงกติกาไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไม่นึกอีกว่าเราจะเป็นอะไรเราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชําระดีบตกเราไรอย่างนี้ เ, เมื่อทําความเพียรก็ไม่ต้องดิบตกมหาตรงนี้ ก็เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไปโดนเตียงแต่ไปโดนเตียงคน น, นั้นนะครับให้ดูคำอยู่นี่ดีด้วยดีไม่มีต้องหาน้ามันมาใส่เลยนี่มีอุบายให้รู้จักกับการรูบคำนี่มีรูบคำคือมันมีอะไรอยู่ตรงเนี้มันยังเก็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้รูบคำจิตใจมันก็ว่นที่ตกมาอยูตรงนี้นมีเดี๋ยวรูบคำสกายะจิตร การตามเห็นร่างกายของเรานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้มาใจของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องแหละไม่ต้องุกคํานะวิกีจิตค้ายะลรงเลยสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วทิฏฐาจารมาร มันดูประชามก็ไม่มีมันเป็นกิริศคณะกิติศต่อกันสักกายคิดผีพี่กิริชชาชีระปตะประมารเนี่ยทั้งมันติดกันนะคือเราปล่อยจนนัดสกุลนางกายเห็นแล้ตามส่วนมานี่ปี่กิจิชชาสงสัยมันก็ไม่มีเนี่ยมันต่อแบบนีจากโน้นเนี่ยเมื่อไม่ได้สงสัยการรูประามก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลยไม้ ทิ่เด็ดส่วนนี้เฉพาะพวกนี้กับในในขันทางข่าหรือในรูปอย่างเดียวในขันอะไรจะอะไรจะมันเป็นขันหนึ่งก็หมดทั้งรูปทั้งก้อนนี่แหละและเวทนาสัมยาสังขารมิญญาเนื่องการรวมทั้งห้านี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนเดี๋ยมรแปดอย่างนี้นะอะไรบ้างมรแปด จำมาที่ทีความเห็นชอบนะถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความำลำดิ์มันชอบมันชอบกันไปหมดถึงนู่นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้ความเห็นชอบของพระโสดาบันก็มีของพระสิธธาาทากายพระอนาคามก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็เหมือนของพระอรหันนี่แต่ว่าสักอายติไอ้ไอ้ I I I ไอ้ความเห็นชอบคนสัมาทิฏิมันก็เห็นชอบมันความเห็นชอบหรอไอ้ความลดำดิมันก็ชอบไปเหมือนกันมันไม่อยู่หรอกครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนั้นมันชอบขนาดนั้นไปตามระดับของมันอืมันเป็นได้อย่างนั้นแต่ว่ามีเห็นชอบมันก็เห็นหมดความเห็นชอบําดิชอบทำงานชอบมามันก็ชอบไปหมดอะครับแต่ว่ามันชอบไม่มาก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 ถ้ามันชอบอันเดียวกันทั้งหมดขนาดเดียวกันหมดมนก็เป็นพาาาระอรหันต์ที่ไม่ต้องอยู่เป็นโสดาบันสิแต่ว่าเขาไม่ชอบมันชอบขนาดนี้ผมยกหมดกําลังของผมนะครับหมดกําลังของเด็กหมดกําลังแล้วครับอย่างนี้ก็หมดกําลังเลยแต่ว่ามื่หมดกําลังของเด็กไม่ใช่หมดกําลังของผู้ใหญ่เนี่ยอืเขาก็พูดไปตามขั้นอย่างนี้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 จะเหลือทำไม่เหลือก็ซุนอักก็ไปกินเท่านั้นเลยเว้ยเมวไปกินเ่านั้นเลยที่ไหนมันไม่เหลือดิที่มันเหลือมันก่อมันเหลืออยู่ที่ว่าไอ้ไอ้้ปีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เขาพูดถึงว่าไม่เหลือมันเหลืออะไรนี่นนี่มันเหลือกี่ตรงปีเตอร์ยังไม่รู้อ่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้้อ ไ ม, ไม่มีตัวไม่มีตมแต่ว่าพอพูดว่าก็จะต้องฝึกตัวเใช่เป็นห่วงอะไรไม่ใช่หรอกไอ้คนที่เห็นตัวนี่คือเห็นว่ามิใช่ตัวไม่ไมิใช่ Shame, ตนเดียว่าคนเห็นตัวเห็นตนเข้าใจไหมคนที่ว่าเป็นตัวเป treated, ็นตนนี่คนไม่เห็นตนท่านมาฝึกตนตนนั่นคืออะไรตนคือไปเห็นแบบมิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นเยกว่าคือตน เข้าใจไหมท่านยังไม่เข้าใจเป็นห่วงอะไรเล่าีเป็นห่วงที่มันเหลืออยู่นั่นเหรอืมใครเดียวว่าเห็นต้นนี่คือตนก้อนนี้ใครเห็นตนคนที่เห็นต้นก็คือเห็นมามีใ่ตัวมีใ่ตนนั่นคือคนเห็นตนเข้าใจไหมจะห่วงอะไรอีกเล่ามันก็ถูกแล้วจะทําไงที่คนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่คนนั่น ไม่รู้จากตน้นไม่เห็นตน้นแต่เห็นต้นก่อนนี้เห็นว่ามิใช่ตัวใช่ต้นแล้วคือคนนั้นเห็นตน้นอันนี้มันจะต้องฟังแล้วทิ้งมันไปแล้วทําเพียนเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอือย่าลืมที่เรียกว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นน่ะมันอยู่ที่การกระทําความเพียนไม่อยู่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 ไอ้ความความสงสัยจะเงินแห้งไปจากจิตใจของพราหมณ์เพราะการจะทำเพียนไม่หยุดไม่ใช่ว่ามันจะไปหายสงสัยจากที่อื่นฉะนั้นจึงจะให้เร่งทำความเพียนไปสม่อเสมอเรื่อยอะไรรู้ขึ้นมาจับพิจรณาแล้วเห็นก็เห็นไปไม่เห็นก็ทิ้งมันไว้นั่นก่อนวันนี้พบมันแล้วแต่รู้มันก็รู้ไป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 อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเรารู้แล้วไปพูดในคนนึงฟังก็ยังเชื่อไม่นานอันนี้เป็นการต้องไปต้องไปพิจารณาให้มีสติสม่าเสมออยู่เสมอด้วยถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีคณะหนึ่งมันจะมีคณะที่เราที่จะทำให้เราให้แจ้งในสิ่งสั้งเายเหล่านั้นแต่ให้ทิ้งความอยากนะ ถ้าไปทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากเท่า น, นั้นเมื่อเราทอดอะไรเ้วนั่นอะใช่ไหมเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่ น, นะหออ แ, น, นแหละเมื่อเราไปหมายมัน่นมันอยู่กัยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บอะไรนั่นเนาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ อย่างเรามีเพชรก้อนหนึ่งเนะ่ะโดนลงไปในน้ำครั้งเสียดายเว้ยแล้วก็ดำานคาไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวกว็หิวไปคิดไปคิดน่ะสั่งมันก็ได้ก็ได้หายก็หายจั่งมั น, นไม่สบายเลยกลับไปบานสบายนี่มันได้อยุทสิตองทอดอะไรตนวางเนะี่ยะณะนั้น อ้ารเไม่ช่ได้หรือเงิน ไ, ไดจะได้นาะ อ, อะไรก็จะได้นาะนได้นทุกอยายเอาเตรียมทีขมเข้ามานาะฮได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ั่างมาเถอะสบายเลยสงตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ความวิ้โดนมือก็ยังมีอยู่ัแ่แหละอืมไม่ต้องเนใช้กำลังใจอะไรแล้ว รักษาของเก่านั้นไว้แล้วก็ทำสติให้ดีขึ้นสติให้มากกว่าอย่างอื่นไม่ผิดไม่โจรการทำเพียนไม่รู้ว่าจะทำยังไงไหมทำไปอย่างนี้ทาไปอย่างแต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเลยเยสติของเรานะ่ะมันก็ยังไม่เต็มส่วนของมันดอกในพยายามเพิ่มไม่มีสติมากขึ้นกว่านั้น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 ที่จะประคับประคองความรู้สึกของเราให้เข้าแนวทางอันสมบูรณได้นีสตินี้มันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะจะช่วยประคับประคองจากเตือนเราอย่างพวกเราก็เด็กแคลไล่พระเจ้าหรือพระพุทธเจ้า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 ถ่าน้าํามันก็เพิ่มอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นไปหน้าเราก็ได้ถ่าน้ํานั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประครับประคองดูนั้นมันจะมองเห็นตัวเราเลยมันจะมองเห็นไปนโน้แม้จริงจบตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นไม่ใช่วันเดเราอนะเนี่ย ท่าน้ำมันก็เพิ่มอยู่ไงแต่ตัวเรานี่เขาเห็นในยากอเห็นในยากไม่ถนัดถ้าว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งมันเนี่ยเพื่อมมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นมันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม่ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับจิ้่ข้างบนมันก็จะลอยไปเห็นด้วยนี่ไอพร่อน้ำเนี่ยมันนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไง ที่เรานะ่ามันจะยิ่งได้กับพ่อที่ว่าเรามีสติมีการสังวรสังรวมระวังการระวังกับพราะมันความรู้เกิดขึ้นมาความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่สติจําการที่ได้ทําและคําที่พูดเรียกว่าสตินานก็ได้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 อันนี้มันเป็นวารักษาที่ว่าสัญญาอนิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพทีว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเพราะนานมาแก่มาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโชมไปอือย่างจะเรียกระมุตโต้เลยไปเรียกชาคาโลจคกรรู้อยู่ว่ามันเรียกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลง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 ถ้าเห็นชัดอย่างนี้อันนี้มันเป็นรักษาหน้าที่ว่าสัญญาณิจญาท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนคาดเป็นธรรมดาของมันแค่นั้นจัิงจริงอย่าให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นเราเป็นเขาเดือนอทั้งหลายแถวนี้ก็การกระทําเพียนของเรานี่ต่อไปผมว่า อืมเราก็ทําไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันอยู่เป็นปกติน่อย่างเราเดินแต่เราปด ว, วดบ้านแล้วก็ปวดของเรานี้เรื่อยไปถ้าไม่มีใครมาเรียกเราเราก็ไม่ไม่มองรู ถ้ามีใครมาเรียกอออาจารย์ชาครูเอืน อ, อนี่รู้แล้วมีธุระก่อนมลยเนี่นอกแล้วจะวดบ้านเราด้วยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่องพิจารณาแต่วความเป็นอยู่ของเรานี้ยให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้อเท่านั้นถ้ามันมีมีเรื่องอะไรก็อยู่สบายเพราะเราตามเคย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 นี่เมื่อจากอนาคตเอเมื่อจากการกระทามที น, ทนี้จะเดินนอย่ามมีสติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้รู้รู้เป็นโอปะนายโกน้อมเข้ามาต้นไม้มันก็เหมือนเราเือนเนี้ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานะน้อมเข้าเนาะให้มันช่อช่างมัน ไอ้สติที่ครอบงําเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายอย่านั้นอันนั้นให้คนพิจารณาใช่ไห้คนพิจารณาใช่พิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยยังขวดวก็กับวดไปเถอะใอ้คนขวดกับขวดไปไอ้คนพิจารกกับพิจารณาไปเนี่ยไม่เจ็กปวดเฉยๆปวดไป กวาดไปมีสติไปสมาธิเป็นอยังไงนี่ยอ่ะเออเพียงจะรู้เออกวาดวัดอย่างตูดีกันนะกวาดด้านวัดเดี่ยให้มันสะอาดเนี่เราทําความเพียรนี่ก็เพื่อกวาดจิเดชทางไรออกจากใจของเราอย่างนั้นเพื่อกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมเนี่ปัญญาก็เกิดไปเรื่อยไปเห็นไปเรื่อยไปว่าเห็นสภาพทั้ง ข, งขงานว่ามันเป็นอย่างนั้น ก็มไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะมหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันกความสงบมักนก็เกิดขึ้น น, นี่ทุกกระงับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาธิออกมาใช่ไในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น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 ก็เหมือนเราที่เดียวท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทแต่ในคุกกันก็นกนไปในนั้นเมื่อเราพิจารณาปัจเจกดี๋ดีเห็นม่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอยอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในะอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรในก็ ก, กสบายไปไอ้คนที่ยังแยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลาย น้ำมากหลายยังไม่ยอมถ้าคนยอมถ้าได้เขาเห็นมันมันเป็นนเดียวกันกเนี่ยกเลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอคนนี่มันก็เบาไปไอที parties, คนยังไม่เห็นมันก็หนักอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติที่มุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บันเทาทุกข์ละครับมันต้องบันเทาทุก กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันจงบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไปนี่เราเราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติกันเนี้ยอือย่างสัญชาติโน่เนี่ยเป็นตัวอย่างพี่ได้มาทําปฏิบัติกันาดเนี่ยที่มาฝึกก่อน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 ั อ, อยากจะเป็นเทวะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาครว่าแม่สมัยก่อนนั้นน่ะไปเห็นอะไรนิดเดียวคนบรรดุไปผ้าหลานแนวเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไม่ถูกนะยังไงก็ได้เกิดบุนขึ้นมาเกิดบุนขึ้นมากนจะพายบาดแ บ, บกกดเข้าไปในปาน่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในปาน้องน ไปนี่ก็ไม่สงบไปป่านั่นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี้ก็ไม่สงบไปตรงนุ่นอีกก็ไม่สงบโดยไม่มีทางที่สงบได้ ว, วุ่นตลอดเวลาเนี่ยอืมพอเห็นความสงบอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือคือเป็นสมาทิฏฐิมันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้น ถ้ายังเป็นมิจฉาทิถีอยู่แล้วเนะี่ยไปแล้วออกพนะรรษาเน่ยจะทวายบาดไปกระหนแม่ภูเขาดูนี่นะมันสงบดีด้เกินนันจะหมดเจดีย์อยู่ในภูเขาดูนี่นะลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแกมันสงบเล็นิดนึงแบบแค่ว่าเมื่อกิ้มันพุน่นเลยคุณจะต้องไปภูเขาดู น, นั่นอีก ลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั้นก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่าคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้ไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันอีกเลยวุ่นหมดหมดภูเขาทุกลูกแล้วหมดอาจารย์เนี่ก็ไม่มีกัดรูปไม่จริงเลิกมันเป็นไงอย่างนี้คนเราอ่ะไอความเปจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ะคือความเห็นชอบนั่นแะ มันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เห็นชอบอยู่ตรงนั้นความสงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกัอนอย่างวัดเรามันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นสู่ครับสัมมาทิฏฐิมากอย่างนั้นคนที่ไปอยู่ในความสงบแล้วมันหมดกิเดสหรือมันยังเหลืออยู่นะบางทีมันอยิ่ยงในรู้เรื่อง ตรงนี้เราอยู่สบายเนะี่ยสบายเพราะความเคยชินเคยอยู่ออกไปจากนี้ไปอยู่ตรงไม่สบายแล้วจะต้องนิ้นโดนหาที่อยู่เรื่อยๆไปเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี้มันยังไม่เป็นสมาทิิไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสบายอย่างแท้จริงมีความสบายชัว่วคราว้วก็ไปอีก มันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนเดื๋อพูดเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยจะมาทาให้เราเป็นบ้านะี่ยคุณง่ายๆนะไต่เป็นบ้าเมื่อเกิดเจนหามาเกิดแดดนอนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จักต้องมาปฏิบัติรักษาบ้าเนี่ยหายเพื่อสบายอยู่แล อลองลองลดูทีผมก็เคยเป็นมาแหละคิดใหญ่ไฟสูงคิดแต่พัดใหญ่คิดน้อยก็น้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไปยาวกว่็ยาวเกินไปสั้นกนก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมันนีมันเกินความพอดีของความต้องอการของธรรมะ ม, มันก็ไม่ดีนี่อย่างนั่นคนยิ่งขึ้นยิ่งรวงยิ่งขึ้นยิ่งจอเวลามันไม่เหมาะสม